ที่มันดังที่มันคลางนั่นเรียกว่าถ้าเปรียบมันกับคิดก็คือเจตสิก <c oughs> เสียงคลางของข้องเรียกว่าเจตสิกคือความคิดของจิตตัวตัวคิดนนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าเจตสิกเราก็ดูมันอยู่ตรงนี้แหละดูมันอยู่ตรง กายแต่ ว, ว่าลูกกิเจเตจิตสิกลูก น, นิพพานตรงนี้พานมันก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงกายตรงโูกอยู่ตรงกิตรงเตจิตเตจิกเนี่ยมันจะไปถึงไหนกันมันก็แค่นี้นิพพานก็อยู่ตรงนี้อะไรอะไรมันก็เกิดอยู่ตรงนี้แหละเกิดอยู่ที่กิจที่เตจิตสิกคือลูกคือคนยังไม่ตาย คนยังมีชีวิตอยู่เพื่อนไหวไปมาทำดีได้ทำชั่วได้ทำบุญได้ทำบาปได้ร้อนได้เย็นได้ทุกได้ไดสุขได้ไม่ทุกไม่สุข ก, ก็ได้นี่เรียกว่าปรมัตถสภาวะธรรมล้วก็มามีสติเข้าไปศึกษามาดูมาเห็นตรงนี้เห็นแล้วเห็นดี่คือนี่แหละ ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นบางทีตัวตัวดูก็ไม่มีแตสร้างขึ้นมับางตาที่เราหลับบางทีมันก็ไม่เห็นต้องลืมขึ้นต้อง เ, ององเองดินดูต้องสนใจต้องดูหน่อยต้องดูหน่อยอย่าไปหลับหูหลับไหลอยู่ดูแลตรงนี้ดูดีๆเนี่ยให้มันเห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นอต้องเห็นละ่ะเห็นความคิดเห็นความง่วงเห็นความ ลองเลยสงสัยเห็นความปวดความเมื่อยเห็นแล้วเห็นดีกูนี่แหละ <c oughs> เห็นแล้วเราทํำยังไงไม่อะไรที่จะสนใจตรงนี้หรือเปล่าป่ะมันเห็นมันเห็นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรเกี่ยวกับภาวะที่เห็น <c oughs> ถ้าตรงนี้เราปฏิเสธมันก็ไม่ไม่การศึกษาเห็นความม่วงเกิดขึ้น เราเห็นเห็นแล้วเราทำยังไงแต่บางทีเราไม่ค่อยศึกษาก็ค่อยตามเห็นความโกรธก็ค่อยตามความโกรธรับใช้ความโกรธเห็นความหงอยก็รับใช้ความหงอยเห็นความคิดก็รับใช้ความคิดเห็นความทุกข์ก็รับใช้ความทุกข์เห็นความสุขก็รับใช้ความสุขเห็นความหลงก็รับใช้ความหลงเพิ่มความหลงเข้าไปเพิ่มความสุขเข้าไปเพิ่มความทุกข์เข้าไปเพิ่มความรักเข้าไปเพิ่มความชังเข้าไป อย่างนั้นเลย อ, อ น, นั้นไม่ใช่การศึกษาเป็นการไปตามอาการลอยไปเหมาะนันปลาที่ไหลไปตามน้ำก็เ <c oughs> ป็นถูกรอบถูกด่างถูกกวรถูกแง้เขาเขาก็ไปกินไปฆ่าหรือว่ามารหรือว่ามารก็ได้โอกาสพือเราไหลไปสู่มารก <c oughs> ิเลสมารขันธ ม, มารมัจจุมาร เอกปฏตมาสังขารมานศัากการมาพบปลุกพบปลุกพบในภูมทั้งสามเมย์กำเนิดทั้งสี่เมย์ขันห้าขันเมย์ขันขันเดียวขันสี่ขันก็คือพวกอโอปปาติกะ <c oughs> โอปปาติกะการเกิดปูดขึ้นเป็นเป็นกำเนิดของสิ่งที่เกิดขึ้นเดวะ กำเนิดทั้งสี่เรียกว่ากำเนิดที่สุดท้ายคือโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นพวกเกิดผุดขึ้นนี่ระวังให้ดีเป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นโลกเป็นเดรัจฉานเป็นในิสุลกายถ้าละอันนี้เป็นต้องระวังถ้าเกิดผุดขึ้นเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอันนี้ก็ใช้ได้มันเกิดได้เกิดดีก็ได้เกิดชั่วก็ได้โอปปาติกะ เ, เรียกว่า กำเนิดของสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็เกิดที่ไหนก็คือกิจเจตสิกลูกนี่พานนี่แหละเกิดตรงนี้แหละหือคนยังไม่ตายที่นั่งอยู่นี่แหละไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนหรอกแล้วการศึกษาก็มาดูตรงนี้แหละไม่ใช่ไปดูที่ไหนไม่ใช่ไปศึกษาที่ไหนบางทีการศึกษาก็ต้องกบเกลื่อนก็งไปดูไปศึกษาไปศึกษาแบบนั้นแบบนี้ เช็นกรรมฐานก็มีหลายแบบหลวงพ่อก็เคยศึกษามาหลายแบบเหมือนกันแบบฟัดเน่ยแบบฟัดเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเข้าห้องพระวัดไปข้างหน้าไปข้างหลังฟัดไปฟัดห้อยหลังลมต่ำลไปบางทีก็คิดหัวลอยในใจเออคนนั่นลมเหล่าคนนี้หลวงพ่อก็ฟัดไปข้างหน้าหน้าผากถูกกระดานปุ๊บเสียวฟัดไปทางข้างซ้ายกว่าน่ะ กวที่จะนิ่งได้เหนื่อยใครย่อยก็ปล่อยนะปล่อยอย่างนั้นแหละบางทีก็วังแบบก็อ้ า, อาสันละเป็นไปตามอย่างหลวงพ่อจะรันสิงห์บุรีเลยไปเห็นอยู่ที่สารัตนะนะก็อ้าวใช้กรรมมิธีใช้กรรมของเขามิธีใช้กรรมของเขาก็ททำอะไรนะ มีพยาบาลคนหนึ่งเขาก็สำนึกว่าเขาเขาเป็นเด็กเขาไปตีเขียดตีกบเขาก็คิดได้ว่าเขาตีกบกรรมของเขาเป็นบาปเป็นบาปของคนก็ฆ่าโน่นฆ่านี่ก็ติดนะคิดไปคนคิดไปนะก็ไปอ่างั้นวะพยาบาลคนหนึ่งก็สักเหมือ ก, ก, ก, กบเลยไม่ไปเลยซักเด็ดเด็ดเดเด็เดาฮ่าฮ่าแล้วลก็ใ <c oughs> ช่กรรมอาจารย์เอ้าใช่กรมกรมใช่กรรมสมนาหน้ามึงมึงทํากรรมมามึงต้องรับใช่กรรมเขา ใจจะหลุดจะขาดหลวงพ่อก็ไม่ช่วยหลวงพ่อก็ไม่ช่วยให้สร้างเท่านั้นลองคองต้นอย่างนั้นต้องต่อยต้องต่ยบางคนก็อะไรหลายแบบหลายอย่างที่มันแสดงออกใช่กรรมอืมอ่างนั้นเลยบางทีก็เออถ้าไม่ได้ใช่กรรมมันจะไม่สิ้นกรรมเขาบอก อ, อ, อย่างนั้นเลยหลวงพ่ อ, อก็เห็น เอาไว้ก่อนพ่อก็ไปหาเรียนทำทำบางอย่างก็สั่นล่องพูดภาษาหมาจอบก็รือว่าทำหมาจอบบ่แว้บ่แวบบ่แวบภาษาผีภาษาอะไรทำควยตูขึ้นมาก็ปอบพอขาคนชนคนเลยชนเลยเอากิ้งไปกิ้งมานนจนล่องจนยอมแล้วยอมแล้วทำบางอย่างก็ตีเอาขาเอา ว่านไฟตัดมาเป็นลำๆตีทำบางอย่างก็พ่นไฟอมน้ำมันการเราก็เป่าใช้ไฟไหมผมไหมตัวโอ้ยตีกันหลวงพ่อก็ไม่ชอบหาดูหาเรียนอาทารายศาสตร์บางอย่างก็อา้าววพ่อก็ชอบแบบนี้แบบไม่ต้องตีตกข่าแบบพูดดีๆทำดีๆมานี่ มาเข้ามาเรียกคนป่วยเข้ามามาไหว้พระมาสมาทานศีลมานั่งสมาธิแล้วก็สอนกันไม่มีะไรดอกหีก็ไม่มีอะไรไม่มีดอกมีแต่พระพุทธประธรรมประสงผูดีๆเนี่ยพ่อก็ชอบแบบเด็ก็เรียนแบบนี้อธิบดติ้องเรียนแบบนี้ <c oughs> กิจเกสิศรูกในพานเข้าไปเลยปรมัดเนี่ย ไปไปเห็นนั้นอื่นทําไมไปสัน่นไปเขย่าอะไรไปพัดทําไมมาดูดีๆมามีสติเนี่ยมันเข้าขายเข้าเป้านี่ยก็เขาหยิดเป้าหรอถูกเป้ามันก็ชนะแล้วทําไม่ถูกเป้าคว่างข้างเข่งคว้างไปมันจะไ ม, ม่อะไรเสียเสียเสียพลังงานเสียเวลาแต่มามีสติดูกายดูกิจของเราเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่าง ภูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่มันก็อยู่ตรงนี้การมาพบปลูกพบปลุกพบวาการมาพบมันเกิดไปในกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกิ่นทางโลกทางรสทางกิ่นทางเสียงมันไหลไปตามโลกเนี่ยเรียกว่าโลกเป็นภพที่สัตว์โลกทั้งหลายไปไม่ได้อยู่ในภูมินี่ยภพภูมิของกลิ่นของเรา ลูกพบก็คือติดในลูกลูกอะไรก็ได้ลูกคนก็ได้ลูกสัตว์ก็ได้ลูกบ้านลูกเรือลูกรถลูกละหนนี่ดีหุนลูกรูปจะต้องเขียนมาให้ดูให้ชอบอะไรก็ปั้นลูกนั้นลูกนี่วันที่ลูกบางอย่างเสพได้ทางตาลูกบางด่างเสพทางกิตลูกบางอย่างเสพทางกายทางเสีย ก็ติดที่นี่สัตว์ทั้งหลายอรูปพบก่อติดในความไม่มีรูปติดในฌานในฌานติดในความสุขที่ไม่มีอะไรว่างเปล่าตอนนี้ก็เรียกว่ารูปพบอรูปพบกลาวมาพบรูปพบกํกเนิดทั้งสีก็ เขาพูดกันในตำราก่อนเกิดในไข่เกิดในขันเกิดในเท่าไข่เกิดในไข่เกิดในขันเกิดในเท่าไข่เกิดผุดขึ้นจเิงๆสัตว์ทั้งหลายเกิดในไข่เขาก็เรียกว่าเช่นไข่เข่นไก่เกิดในอสังเสธะเกิดในเท่าไข่เกิดในน้ำเลือกเห็นพวก สัตว์บางประเภทที่มันเกิดในน้ำเมือกน้ำหนองน้ำอะไรมันเป็นเชื้อโรคเกิดในคันก็ะไว้ทั้งคนนี่พี่เก่มันไม่ใช่หรอกมันก็เกิดในในน้ำเมือกเกิดในเท่าไข่เกิดในน้ำเมือกกว่าที่คนจะเกิดในคันเกิดในอาสุกิเกิดในกามเปิดในความคิด มันเกิดในอวิชชาเข้าไปสร้างเข้าไปกเกิดในคันเกิดในไข่อันเดียวกันคือเกิดในอวิชชาอวิชชาเกิดยังไงเกิดผุดขึ้นก็ไม่เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสนันริลกเราแบ่งเป็นอย่างนั้นมันแบ่งแบ่งแล้วมันก็ยังไม่ถูกหลังเสดชะคันตาชะฉลามุทเถโอปปาติกะ อย่างเราสวดเนี่ยมีขันห้าขันมีขันข so ันเดียวมีขันสี่ขันอยู่ในกำเนิดทั้งสี่อยู่ในอยู่ในภรมทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันขันห้าขันก็คือเนี่ยเราเนี่ยมีขันห้านี่เคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่ขันสี่ขันคือพวกเทวดาพวกสัตว์โรกพวกเดรัจฉานพวกสุรกายที่เกิดขึ้นมานี่ยไม่ลูก ตายก็ไม่ได้ไมีซากศพเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมอเวทนาเนี่ยมีขันคือรูปเนี่ยรูปเนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะมันเกิดขึ้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพวกนี้เกิดขึ้นได้ขันคนเดียวคือความคิดเติมขี้ไหนไปได้แต่พฟื้นติมฟื้ความคิดเนี่ย ไปได้แต่เพื่อเต่อเพอตัวคิดตัวกิดแล้วมันก็ยังมีอาศัยขันห้าขันนั <c oughs> ่นที่เราว่าเนี่ยเอาจริงๆเราคือเรามามีสติบูนี่แหละมันจะเห็นเนี่ยมันเกิดผุดขึ้นเห็นไหมเกิดอะไรล่ะเกิดเป็นพระก็ได้โอปปปาติกะจะเอาไหมเกิดเป็นพระใจดีๆจะเอาไหม เอาเกิดปัดขึ้นเป็นเปรตหิวก็หายท่องเท่าภูเขาปากเท่าทุกเข็มไม่มีเมียคนนี้ก็ไม่พออยากได้เบียคนนั้นไม่สามีคนนี้ไม่นอนไม่ได้หิวหิวในความคิดการหิวหิวก็หิวได้หลายอย่างเช่นอ <c oughs> โอเช่นนั้น ประชัดตูวไปคีวีผู้ที่หิวประชัดตูวไปคีวีผู้ที่อยู่ด้วยความหิวหิวอะไรพ่อแม่ก็หิวความดีของลูกอยากให้ลูกเป็นคนดีนี่เป็นประชัดตูวไปคีวีของลูกบางทีลูกก็หิวอยากให้พ่อแม่เป็นคนดีเป็นอยากก็หิวในความดีของพ่ อ, พอแม่เห็นพ่อแม่ เลวไหลเล่นการพนนั้นกินเหล้ามวยย่อ้ยพ่อแม่ของเราทําไมไม่เหมือนคนนั้นคนนี่นอพ่อคนนั้นทําไมเขามีเขาวัดเข้าวามี็ศิษย์เป็นธรรมทำไมขีกันไม่ทะเลาะวิวาทกันพ่อแม่ของเราเอาแต่เล่นไถ่กินเหล้าเมายยาลูกก็หิวความดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็หิวความดีของลูกไม่รู้จักอิ่มยังไม่อิ่มยังหิวยังไม่อิ่ม ได้ที่ลูกยังไม่เป็นคนดีพ่อแม่ก็ยังหิวเน่ยบางทีก็พอหิวมากๆเขาโรคแล้วก็ทุกข์แล้วกักวกนทุกข์เพราะโลคเพราะโรคไม่เป็นคนดีหิวจนตายเพราะว่าตายก็หลับตาไม่หลงเพราะโรคเป็นคนชั่วจ่อยู่ตรงนั้นได้ไหมไม่ต้องอยู่พวกเราเราทําหน้าที่ของเราไม่ต้องไปเป็นอ๋อไม่ต้องไปเป็น อืมอะไรนะว่าเมื่อกี้เนี่ยนะเรียกว่าผู้ที่หิวนะ่ะภาษาบาลีเขาว่าอะไรวัลลัชตูไปคีวีอะไรน ะ, ระวัลลัชตูไปคีปวีนอแล้ววัลลัชตูไปคีวีผู้<ๆ>ที่รอความรอคนอื่นให้ทําให้หวังจากคนอื่น Ips. พ่อแม่ก็หวังอยากให้ลูกทําให้ pulley. ตราบใดที่ลูกเรายังไม่ไดีเราสุกไปได้ดอกตราบใดสามีเรายังไม่ดีเราสุกไปได้ตราบใดพันญาะยพัญญาเรายังไม่ดีเราสุกไปได้รอความหิวน่ะหิวอย่างงั้นแหละอ่าอย่าไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปรอความให้คนอื่นทําให้ลูกไม่ดีเราก็สุขได้สามีไม่ดีพัญญาไม่ดีเพื่อนไม่ดี เราก็สศกได้อย่าไปเอารอเพราะนต้องรอคนอื่นดูทิศให้กําลังรอผลบุญจากคนอื่นเนี่ยทําเอาเราไปรอมันหวังลมๆแรงๆเนาะต้องทําต้องทําต้องทําเอาอย่ยไปรอหน้าที่ของเราเรื่องลูกหน้าที่ของเราทําดีแล้วอีม่มอี่มในหน้าที่ของเราเอะไรก็ทําหมดแล้วสอนหมดแล้ว มันยังเป็นคนดีไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของเราบางทีสามีทุศินปัญญาก็ทุปัญญาทุศินสามีก็ทุโอเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้เป็นเรื่องของเราไม่ต้องทุกแก้ไขปรับปรุงกันไปช่วยกันไปเราดีกว่าเขาเราก็ต้องช่วยเขาเราไม่ผิดสินเขาผิดศินเราก็ต้องไปช่วยให้เขามีสินอันนี้ อันอย่างที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะมาสอนให้คนเป็นคนดีนั่น <c oughs> เขาก็ถามทะเผู้เทธิมหาไรยคอนเจนในสิ่งแวดล้อมตั ว, ว น, นี้เช่นโอ ก, กอกรเป็นน่าจะทมกับเครื่องวินชนตึกเซ็นเตอร์ชนอะไรฟังพินาศคนล้มหายตายไปอันนี้สัมพันธมิตรประเทศ สมุทตมิตรไปเที่ยวระเบิดถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเราจะอยู่ในสภาพแบบใดวางใจอย่างไรอของพ่อก็ตอบว่ารู้ปฏิบัติธรรมของพ่อก็พูดอยู่เสมอว่ามีความหลงกับความโลภคนที่ขับครื่องบินไปชนตึกเซ็นเตอร์เขามีความหลงเขาก็ทําตามความหลงครี่คีบเพื่ออะไรไม่รู้ความหลง ความหลงมันก็สร้างให้สิ่งต่างๆวินาศถ้าเราจะโกรธคนหลงหรือเราเราจะโกรธหน้าโกรธตาเขาไม่ได้จะโกรธ อ, อะไรลาเลตินหรืออะไรใช่ไหมจะไปโกรธคนนั้นโกรธที่หน้ามันอ่าจะไปโกรธอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ใช่พวกอับกรารในค้างก็โกรธชารัฐมันก็ไม่ใช่เอาพว่าศาสนะคิสลามศาสนะคิดอา้าว ศาสนานดีศาสนานไม่นั่นไม่ดีพุทธดีกว่าคริส ด, ดีกว่าอิสลามไม่ดีทำลายรพระพุทธโูกอันนี้เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกอย่าไปเอาศาสนาอย่าไปเออะไรให้โกรธความหลงกเก็เลยตอบแบบนี้ความหลงอ่ะเป็นตัวล้ายที่สุดแล้เราจะไปโกรธหน้ากันโกรธความหลงเราทําไงจึงจะให้เขาเอาชนะความหลงได้ เราจะให้ค่าเขามันก็ไม่ถูกต้องมาสอนกันให้รู้ตัวเนี่ยแต่รู้สึกเนี่ยมันไม่หลงตัวเนี่ยมันก็ตัดต้นตอของความหลงถ้าไม่มีความหลงแล้วมันจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ความหลงต่างหากที่ทำให้ทำชั่วผิดศีนเป็นทุกข์ถ้าความรู้สึกตัวมันไม่เป็นอย่างนั้น มันก็มีแต่ความเมตตากรุณามีปัญญามีศีลมีสมาธิในความช่วยเหลือซึ่งกันและกั น, กนความหลงนะ่ะมันอันตรายวิธีที่เราศึกษาอยู่นี่มันมาเข้าเป้าตรงนี้เลยไม่ใช่ไปเอารับเบิดไปทิ้งเขาตอนนี้ขเขาก็กลัวสงครามจิวาภาพมีสาาพิษ คนเป็นโรคอนแท็กกันเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆก็ความหลงเท่านั้นละ่ะเรายังมาผิดความรู้สึกตัวมาผิดความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็เกิดกุศลมันจะโกรธกันไม่ลงเพราะความโกรธนั้นหลวงพ่อก็ พ, พูดอยู่แล้วว่า ต, วตัวเห็นจิตเห็นความคิดเนี่ยมันจะไปเห็นความโกรธเห็นความโลภเห็นความหลง ตัวหลงมันอยู่ตรงกลางตัวโลภโกรกโกรดอยู่สองข้างท่านหลงมันก็โกรดได้ท่านหลงมันก็โลภไ ด, ด, ได้ถ้ามีตัวลูมันก็ไม่มีตัวนั้นมันก็มีอันอื่นก็มีศีลไปเลยมีสมาธิมีปัญญามีเมตตากรุณาไปเห็นลูกเห็นนา้าสองสารลูกสองสารน้มจะให้มันไปโกรดไปได้สองสารลูกจะให้มันไปทุกข์ไได้ไปทาผิดไ่ได้ สองสารลูกยังไม่พอสองสารพ่อแม่ด้วยสองสารทุกอย่างถ้ามีความรู้สึกตัวจะไป ด, าไไดไป่ากันก็ไม่ได้จะไปฆ่ากันก็ไม่ได้จะไปลักไปขโมยก็ไม่ได้จะผิดศีลก็ไม่ได้สองสารใครก็ลักใครปานาติเวตาเนี่ยคือความลักจะไปฆ่าจะไปตีกันจะไปทำให้เก็บ อ, อกเก็บใจอธินาธานาเนี่ยคือความลักจะไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตน เขาก็ใครก็รักของเขานี่มันก็เห็นน่สงสารกันตาเมย์สมัยชาจารก็คือรักเดียวใจเดียวทุกคนก็เป็นอย่างนั้นทุกคนก็ถนอม <c oughs> ทุกคนก็สร้างความรักความรักเป็นความผูกพันสร้างสรรค์ครอบครัวอย่าทาไปทํำลายเขาแตก่แก่กันงานสามีของคนนิด ออกหนังสื้อพิมพเนี่ยนี่ละออิสลามมุนเนี่แหละตัวทําให้ครอบครัวผมแตกแยกะเขาว่างนั่ะไปขี้หนะ้าะทําให้ครอบครบัวขอผมแตกแยกผมอยู่กันมาได้ดีๆมีลูกสองคนตัวรล่ตัวเนี่ยขี้หน้าอิสลามมุนีก็ไปทําให้การมีสมาชิอาจารย์ไปทําให้ความรักแตกแยกแล้วก็ผิดศีลมันบาป เขาอยู่ดีๆไปข้องเกี่ยวเขาไม่ได้ต้องให้เป็นอิสระของเขาเป็นศีลมุสาวาทาเอเรมะเนีไม่พูดตอกลิ้มไม่พูดคำหยาบจากเป็นปิยะวาจาพูดสมานเยียวยาให้เกิดความดีอย่าไปตีลิ้มคำพูดของคนตีลิ้ม สุลาเมระยะอย่าไปมั่วให้สิร้างความหลงเขียนสุลาเมไรหลงอะไรก็ไม่ดีเท่านั้นห ล, ลงในความรักหลงในความโกรธหลงอะไรก็ไม่ดีมีปัญญาความรักก็มีปัญญาความนักผิดชอบอะไรนีปัญญาแต่ร <c oughs> ักไม่มีปัญญารักก็เป็นไฟความโกรธก็ ม, มีปัญญาด้วย มีปัญญาในความโกรธมันไม่ดีไม่มีค่าอะไรโกรธแล้วมันได้อะไรมีปัญญาความโลภก็มีปัญญาความหลงก็มีปัญญาปัญญาลองรับทุกอย่างเนี่ยมันเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกิตกับเจตสิกกับรูป ก, กับในพันเนีน่อโกรธก็มีในพานได้ทกุก็มีใน่านได้เพื่อไปโน่น เมื่ร้อนก็ต้องเย็นได้ถ้าร้อนเราก็หาพัดลมถ้าหนาวเราก็หาผ้าหม่มถ้าทุกมันก็หาความไม่ทุกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นการศึกษาชีวิตเานะ่าเน้่ยเห็นโูกเห็นนามเห็นจิตเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นธาตุเห็นขันหเนี่ยเห็นชัดเหลือเกินขันหะเนี่ย กองกองขันสิ่งที่เกิดไปบ่อยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้ขันสี่ขันนียเกิดเก่งเกิดดับเกิดดับอาการเกิดดับของรูปสามอาการเกิดดับของนามรูปคิดอย่างนั้นเหรอคิดอีกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเกิดอยู่ตรงนี้ เกิดอยู่บนฐานของกองขันท่าของลูกของกายของกิจของลูกของนามเกิดบ่อยๆเกิดขันสี่ขันเกิดมากเกิดลูกเกิดรูปนามเกิดครั้งเดียวหลวงพ่อก็เกิดมาหกสิบห้าหกสิบกว่าปีแล้วเกิดครั้งเดียวแด่ว่าเกิดทัางเวทนาทางเวทนาสัญญาสังขารญาณมันเกิดบ่อย ถ้าผู้ใดกนกลมกำเนิดของการเกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ได้ก็เรียกว่าการเข้าไประงับดับเสียซึ่งสังขารอยู่เป็นสุเรียกว่าหยุดเกิดหยุดเกิดดีแต่กิริยาไม่ต้องไม่มีรักมีชังไม่ต้อง ไ, ไม่มีฉกไม่มีทุกเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นขันลุน่ลนรุ่น เวทนาก็เป็นเวทนาร้นลวดไม่มีอุปทานไม่มีความหลงในเวทนาบางคนก็หลงมากๆในเวทนาหลงมากๆกันไปพ้นเราหลงมากๆกันไปผมขืนเราหลงมากๆกันไปซื่อไปหาาไม่ต้องหลงเอาเวทนาเป็นปัญญาเอาสัญญาเป็นปัญญาเอาสังขารเป็นปัญญาเอาวิญญาณมาเป็นปัญญา ไม่แต่ปัญญาไปลองรับเพื่ออะไรขึ้นก็ไม่ปัญญาเวทนาก็เป็นปัญญาเป็นสุขเป็นทุกข์หรอกกลายเป็นปัญญาสังขารที่มันตรุงแต่งกลายเป็นปัญญาปัญญาณที่มันไปเก็บอะไรไว้ปัญญาชําระล้างไม่ติดไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ไม่ติดโกรธไม่ติดโลภไม่ติดหลงไม่ติดความยินดียินไล่เป็นปัญญา ปัญญาอยู่สุดท้ายอยู่ข้างหน้าเข้าไปให้ถึงอย่าไปอยู่ตรงนั่นอย่าไปอยู่ตรงสุขอย่าไปอยู่ตรงทุกข์ไปถึงปัญญารอบโลกในกองสังขารตัวปัญญาวิ่งรอบอยู่นั่นรอบโลกในอเวทนาในสัญญาในสังขาร